สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบา น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่สิบสามข้อที่ยี่ิบสองถึงข้อยี่สิบห้าเรื่องของการพิพากษาพี่น้องครับเช้วันนี้พระเจ้พระเจ้าความว่าดังนี้โปรดฟังครับจากนั้นพระเยซูเสร็จไปสั่งสอนทั่วหมู่บ้านและเมืองต่างๆขณะทรงมุ่งหน้าไปยังกรุงเยรูซาเล็มบางคนทูลถามพระองค์ว่า พรองค์เจ้าข้ามีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะรอดหรือรองค์ัดกับพวกเขาว่าจงพยายามทุกวิถีทางที่จะเข้าไปทางประตูแคบเพราะเราบอกท่านว่าคนเป็นอันมากจะพยายามเข้าไปแต่เข้าไม่ได้เมื่อเจ้าของบ้านตื่นและปิดประตูแล้วท่านก็จะยืนเคาะประตูอยู่ข้างนอกและอ้อนวอ น, นว่านายเจ้าข้าขอเปิดประตูให้เราด้วยแต่เขาจะตอบว่าเราไม่รู้จักเจ้า และไม่รู้ว่าเจ้ามาจากไหนเมื่อนั้นท่านจะกล่าวว่าเราเคยกินดื่มกับท่านและท่านมาสั่งสรอนที่ถนนของพวกเราแต่เขาจะตอบว่าเราไม่รู้จักเจ้าและไม่รู้ว่าเจ้ามาจากไหนจงไปให้พ้นเจ้าคนทำชั่วทั้งปวงที่นั่นจะมีการร่ำไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเมื่อท่านเห็นอัปราหัมอิสอาศะยาโคกกับผู้เผยโภชนะทั้งปวงในอาณาจักรของพระเจ้าแต่ตัวท่านเองถูกโยนออกมา ผู้คนจากทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกและแตะวันตกจะเข้ามาประจำที่ของตนที่งานฉลองในอาณาจักรของพระเจ้าอันที่จริงบรรดาผู้ที่เป็นคนสุดท้ายจะเป็นคนต้นและคนต้นจะเป็นคนสุดท้ายทีนีงครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้จุดใหญ่ใจความอยู่ที่ข้อสองข้อนี้นะครับข้อที่ยี่สิบห้าครับ เมื่อเจ้าของบ้านตื่นและปิดประตูแล้วท่านจะยืนเคาะประตูอยู่ข้างนอกและอ้อนวอนว่านายเจ้าข้าขอเปิดประตูให้เราด้วยและเขาจะตอบว่าเราไม่รู้จักเจ้าและไม่รู้ว่าเจ้ามาจากไหนอีกข้อหนึ่งครับอยู่ในข้อที่สามสิบอันที่จริงบรรดาผู้ที่เป็นคนสุดท้ายจะเป็นคนต้นและคนต้น <c oughs> จะเป็นคนสุดท้ายทีนี้ครับสองประเด็นที่สําคัญในขั่งผีตอนนี้ประเด็นแรกกัน มีความหมายว่ามีคนส่วนหนึ่งครับที่เข้าไปไม่ได้ในที่สุดถามว่าทำไมเข้าไปไม่ได้พระเจ้าจะตอบว่าเราไม่รู้จักเจ้าและไม่รู้ว่าเจ้ามาจากไหนคนที่เข้าไม่ได้ก็จะอ้างกับพระเจ้าบอกว่าเราเคยกินดื่มกันไม่ใช่หรือเพระรองค์เจ้าค่ะและพระองค์ก็เคยมาสอนที่ถนนของพวกเราหมายความว่าเราก็เคยมาฟังคำสั่งสอนของพระองค์แต่พี่น้องครับพี่นีบในขอ้อที่ยี่บเจ็ด มีคำตอบครับจากพระเจ้าพระเจ้าตอบว่าเราไม่รู้จักเจ้าและไม่รู้ว่าเจ้ามาจากไหนจงไปให้พ้นเจ้าคนคนทำชั่วทั้งปวงจุดใหญ่ใ จ, ใจความประเด็นหลักที่สำคัญก็คือคำว่าเจ้าคนทำชั่วทั้งปวงคนที่ทำชั่วแม้ว่าเขาจเคยได้ยินพระวจนะของพระเจ้าแม้ว่าเขาจะเขาจะเคยกินดื่มกับพระเยซูหรือแม้ว่าเขาเขาเคยพระเยซูเคยเส ด, ด็จมาที่บ้านของเขา ที่ถนนของเขาเขารู้จักรู้สึกมีความคุ้นเคยกับพระเยซูแต่แท้จริงแล้วคนเหล่านี้เนะี่ยไม่ได้เชื่อฟังพระเยซูอย่างแท้จริงเพราะว่าสิ่งที่เขาทำนั้นก็ล้วนแต่ชั่วแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าการพิสูจน์ความเชื่อนะครับต้องพิสูจน์ด้วยการเชื่อฟังครับพระเยซูสอนเราให้เรางดเว้นจากการทําชั่วคนเหล่านี้แม้ว่าจะมีความคุ้นเคยมีความเสนิสนมขนาดไหนก็ตามกับพระเยซู แต่เขาไม่ไม่ได้มีความเชื่อฟังพระเยซูพระเยซูเคยตรัสว่าคนที่เชื่อฟังเราทําตามเราเท่านั้นจึงจะนับเป็นญาติของเราครับคนที่เคยเชื่อฟังเรานะครับคนที่รู้จักเรานะแล้วไม่ได้เชื่อฟังตลอดนะครับคนที่เคยรู้จักเราเคยได้ยินคําสอนของเราแต่ไม่ได้ทําตามคนพวกนั้นก็ไม่ได้เป็นพี่น้องกันกับพระเยซู ไม่ได้เป็นพวกเดียวกับพระเยซูและเขาก็มีชีวิตยอยู่ในความชั่วความบาปนับนี่คือประเด็นแรกที่สำคัญในเช้าวันนี้ประเด็นที่สองเราก็จะเห็นว่าในข้อที่สามสิบครับในข้อที่สามสิบได้พูดถึงว่าบรรดาผู้ที่เป็นคนสุดท้ายก็จะกลายเป็นคนต้นและบรรดาคนต้นก็จะกลายเป็นคนสุดท้ายถามว่าอะไรครับที่อยู่ที่นี่พระเยซูสเสด็จไปตามบ้านเมืองของคนยิวและก็สั่งสอนเขา มีคนหนึ่งครับเขาถามพระเยซูว่าควงเจ้าข่าคนที่รอดนั้นมีน้อยหรือนะครับคนที่รอดนั้นมีน้อยหรือหมายถึงว่าคนที่จะได้รับชีวิตนิลระในที่สุดแล้วมีน้อยไม่ได้มีมากคนที่ถามคำถามนี้มักจะคิดถึงความแน่ใจในความรอดของตัวเองศาสนายิวนะครับมีอาจารย์สอนพวกธรรมาจารย์ก็ดีนะครับพวกฟา ร, ริสีก็ดีพวกเขาเนี่ยมีความเชื่อไม่เหมือนกับพวกเราครับ ความเชื่อของพวกเขาเนี่ยก็คือว่าเขาเชื่อว่าชนชาติอิสราเอลทั้งอิสระทั้งหมดเนี่ยจะได้รับความรอดร่วมกันแต่และคนเนี่ยไม่ต้องแสวงหาส่วนตัวครับขอให้เข้าศาสนายิวนะครับขอให้เข้าศาสนายิวแล้วก็ทำตามประเพณีกฎเกณฑ์บทบรรัญญัติของคนยิวก็จะรอดได้เพียงครับพระเยซูถือโอกาสนี้สอนเรื่องการพิพากษาในข้อยี่บสี่พระเยซูตรัสอย่างนี้ครับว่าจงเพียงเข้าไปในประตูแค่ พเราบอกท่านหลายว่าคนเป็นอันมากจะพยายามเข้าไปแต่เข้าไม่ได้คำว่าจงเพียรพยายามเนี่ยไม่ได้มีความหมายว่าความรอดเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้มานะครับความรอดไม่ได้เกิดจากการกระทาครับชัดเจนนะครับความรอดเป็นพระคุณและด้วยเหตุนี้เอง <c oughs> ความหมายของประตูแคบนั้นก็มีความหมายเกี่ยวกับความลำบากครับ ความยากลำบากที่หลายคนต้องประสบในการต้อนรับพระเยซูในการมีชีวิตเป็นสาวกของพระเยซู <c oughs> ความยากลาบากเหล่านี้ได้แก่การกล่มเหงคครับได้แก่การถูกตัดขาดออกชอบจากครอบครัวครับได้จากการถูกขับออกนะครับจากชุมชนของคนอยู่เป็นต้นเทียงครับการที่คนคนหนึ่งจะมาเป็นคริสเตียนได้ เขามาจากครอบครัวที่ไม่เป็นคริสเตียนแน่นอนครับย่อมถูกต่อต้านย่อมต้องข้ามนะครับข้ามอุปสรรคขวากน้นาหลายสิ่งหลายอย่างกว่าจะมาเป็นคริสเตียนแท้การเข้าประตูแคบแคบนั้นมีความหมายเป็นนัยยะว่าคนนั้นไม่สามารถผ่านประตูเข้าไปได้ถ้าหากว่าเขายังแบกสัมภาระแบกสิ่งต่างที่ยังทวงอยู่นะครับ เพายงกที่ทวงอยู่หรือสัมภาระนั้นอาจจะหมายความถึงความปรารถนาของตัวเองเป้าหมายของตัวเองนะครับโกที่ตัวเองตั้งไว้นะฝ่ายเนื้อหนังฝ่ายโลกหรือแม้กระทั่งความหญิงยโสครับหรือแบกทรัพสมบัติที่คอยขัดขวางเขาไม่ให้เข้าไปสู่ความรอดได้พระเยซูทรงเป็นพระอาจารย์เป็นผู้สอนที่ดีที่สุดแล้วฝูงชนจํานวนพันพันคนก็มาลุ้มรอมพระเยซูจะกฝั่งพระองค์ พะยะสูก็เลยเล่าเรื่องในในอข้อที่ยี่สิบห้าถึงข้อที่ยี่เจ็ดนะครับที่เราได้อ่านไปแล้วเล่าเรื่องนี้ครับว่าชายคนหนึ่งปิดประตูบ้านของเขาและมีประชาชนยืนอยู่ข้างนอกขอบประตูเพื่อขอเข้าไปเจ้าของบ้านตอบว่าเราไม่รู้จักเจ้าไม่รู้ว่าเจ้ามาจากไหนที่น้องครับประตูนะครับก็เล็งถึงวิธีนะครับหรือวิธีการที่จะเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ พระเยซูตรัสคำโอบ ม, มาที่เล็งถึงพระองค์เองครับพวกธรรมอาจารย์สั่งสอนในธรมารมศาลาพระเยซูเป็นผู้เดียวที่สั่งสอนตามถนนบนหุบเขาบ้างจากบนเรือบ้างในบ้านบ้างพระเยซูทรงมีวิธีการสอนสถานที่การสอนที่แตกต่างหลากหลายกันไปนะครับแสดงว่าพระเยซูต้องการให้คนทุกๆคนได้ยินข่าวประเสริฐได้ยินเรื่องราวของการกลับใจใหม่ได้ยินเรื่องราวของการกลับกมา พระเจ้าผู้ที่ไม่ฟังกันทรงเรียกให้กลับใจใหม่ของพระองค์ประตูสวรรค์ก็จะปิดสําหรับคนคนนั้นครับในวันที่ภาคสาคนเหล่านั้นที่ประเสฐพระเยซูก็จะถูกขับไล่จากแผ่นดินของพระเจ้าไปสู่ที่ที่มีการร้องไห้คบเคียเค้ยวเคี้ยวฝันบรรดาผู้ที่หลงหายไม่สามารถเข้าไปได้ก็จะโกรธแค้นและอ้างโน่นอ้างนี่แต่ในที่สุดเขาจะสิ้นหวังครับ เพราะอะไรครับเพราะเขาจะมองเห็นบรรพชนเห็นความเชื่อในสมัยโบราณของคนยิวก็คืออับราฮัมอิสราคอลโยโคและบรรดาผู้เผยพระชนะพวกเขาเนี่ยก็คือคนเหล่านั้นที่ได้ตายไปโดยมีความเชื่อและการเชื่อฟังครับแม้ว่าเขาจะไม่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้ก็คือองค์พระไมซีอาหรือแผ่นดินสวรรค์ยังมาไม่ถึงเขาแต่ในที่ฉุดเขาก็ได้รับครับและเขาเตรียมตัวเขามีความหวัง และเขาเชื่อเพราะฉะนั้นเขาเตรียมตัวรับไว้ตั้งแต่ไกลพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะมาถึงประเด็นที่ว่าคนสุดท้ายจะกลับเป็นคนต้นคนต้นจะกลับเป็นคนสุดท้ายนะครับก็คือชาวอิสอเอลบางคนเนี่ยเชื่อว่าการเป็นเชื้อสายยิวจะช่วยเขารอดในขณะเดียวกันเขาเชื่อว่าพวกต่างชาตินั้นก็ไม่มีสิทธิที่จะรับข่าววเสดไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นลูกของพระเจ้าเลยนะครับสําหรับคนต่างชาติ พวกพอยสีเชื่อว่าการประพฤติตามาศาสนาการมีตําแหน่งในาศาสนาอยู่ก็จะเป็นเหตุที่นํามาซึ่งความรอดของเขาและพวกเขายังเชื่อว่าคนง่อยคนตาบอดคนยากจนไม่สามารถมีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าได้พี่น้องครับนี่ครับเราจะเห็นว่าหลายคนต้องประหลาดใจที่เห็นใครเป็นคนต้นเพราะอะไรครับเพราะคนต้นนั้นคือคนที่มีความเชื่อนะครับไม่ใช่เป็นคนรักษ า, าศาสนาไม่ใช่เป็นคนรักษาประเพณี ไม่ใช่เป็นคนที่มีตำแหน่งสูงแต่คนต้นนั้นจะต้องถ่อมใจครับถ่อมใจคนที่อยากจะเป็นคนต้นต้องถ่อมใจเมื่อถ่อมใจแล้วต้องยอมรับและเปลี่ยนแปลงชีวิตตรวจสอบชีวิตกับพระวจนะของพระเจ้าเสมอในแต่ละวันเพื่อที่คิดของเขานั้นจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงด้านความคิดคำพูดและการกระทำเปลี่ยนแปลงลงไปในส่วนลึกก็คือท่าทีศัศนกติที่อยู่ในใจเนือเมื่อเป็นเช่นนั้นแหละครับแน่นอนมันยากใช่ไหมครับ จึงเป็นเหตุที่ทำให้มันเกิดความลำบากในการติดตามพระเยซูแต่นี่ครับพระเยซูสอนให้เรารู้ว่าเราจะต้องนั่งลงคิดครับว่ามันคุ้มค่าจริงๆหรือเปล่าเมื่อเราจะได้ชีวิตนิรันและชีวิตนิรันที่เราจะได้นั้นเป็นชีวิตนิรันที่มีสง่าราศีด้วยครับขอพระเจ้าไว้พรและช่วยเหลือพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน